แฟนสาธุชน บ, บริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิวิสุทธิ์สมานนิทั้งหลายลาสํสนนหา <c oughs> สหรับในตอนนี้ก็มาฟังเรื่องราวในท้องเรื่องขบวนนางสา ม, มาวดีแต่ว่าเรื่องราวขบวนนางสา ม, มาวดีจริงๆยังไม่ถึงยั้งไว้ในตอนตอน้นมีเรื่องแทรกตอนนี้ท่านบอกว่าสามเศรษฐีกับดาบดท่านบอกว่าในเมืองโกสัมพีนี่ มีเศรษฐีอยสามคนคือโกโคโสกเศรษฐีหนึ่งกุกุตารศีหนึ่งและบริบริวาริกาเศรษฐีหนึ่งในเวลานั้นปรากฏว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอภิเศษกสัมมาสัมโพธิญาณแล้วแต่ว่าบรรดาเศรษฐีทั้งสามไม่ทราบข่าวขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้ว <c oughs> เพราะเวลานั้นไม่มีวิทยุกันหนังสือพิมพ์เหมือนสมัยนี้ท่านมีความเลื่อมใสเรือสีอว่าห้าร้อยรูปหรือว่าีห้าร้อยรูปนี้เป็นเรือีที่ทรงอภิญญาความจริงอภิญญาห้านีเรือศีเขาได้กันมาจากการก่อนก่อนนี้องค์สมเด็จพรจะจินนวรสจานบรุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณ แต่ว่าเวลานี้บรรดานักพจนของเรานักบวทบ้างคณรวาตบ้างที่ทรงธรรมะ <c oughs> ที่ปากเขาบอกเขาทรงธรรมะหาว่าฤาษีดีไม่เท่าตัวแต่สองในวิชาสามก็ดีห้าในปัญญาหกก็ดีไม่สามารถจะทรงได้ก็แสงดงว่าเลวกว่าฤาษีดีสู้เขาไม่ได้ แต่ว่าถือเพเก็ระองค์สมเด็จพระจอมไตรคือหุ่มผ้ากาสาวาพัสอันนี้น่าสลดใจ <c oughs> แต่ว่าที่ทําดีก็มีเยอะดวงความเรืีทั้งหลายเหล่านี้เป็นผู้สมภิญญาอยู่ในป่ามหาวันในป่ามหาวันนี่เรลกที่เรียกว่าป่าหิมะพันน์นเองความจริงป่าหิมะพันนี้อยู่ไม่ไกล ที่บางคนนั่งสมาธิเกิดติมิตรว่าป่ายิมมะพันอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดิงบ้างป่ายหิมมะพันอยู่ในเขตโนจารุมหาราช บ, บ้างอันนี้ไม่ถูกความจริงป่ายิมมะพันก็อยู่บ้านเรานั่นเองที่ไหนมีหิมะมากที่ไหนมีความหนาวจัดคนไม่เข้าไปเที่ยวมากที่นั่นดีกว่าป่ายิมมะพนัน เพราะว่าเป็นแดนส ง, งัดฤาษีจึงชอบอยู่บรรดาฤาษีห้าร้อรูปนี้ท่านมหาเศรษฐีทั้งสามมีความเคารพเลื่มใสามากเพราะว่าท่านทรงศีลทรงธรรมปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของศีลไปอันดีถึงเวลาพ้นฤดูฝนแปเดือนท่านมหาเศรษฐีก็ขอร้องว่าให้ท่านมาจำบรรษาที่บ้าน หรือว่าจะเป็นเวลาจะดูฝนสี่เดือนก็ไม่ทราบนะจะดูตำราก่อนท่านบอกว่าท่านรับปริญาให้อยู่ในสำนักของท่านตลอดสี่เดือนแล้วออไม่กว่าสี่เดือนจดูฝนหากินยากให้ฤาษีมาจำพรรษาที่บ้านท่านเขาเลี้ยงดูแปดเดือนหลังฤาษีจะไปไหนก็ไม่ว่า ต่อมาปรากฏว่าบรรดาฤาษีทั้งหลายเหล่านั้นถึงระยะเวลาสี่เซาคนฤดูเข้าเกตฤดูฝนจะต้องมาตามปนิยาจึงได้เดินทางเข้ามาหวังจะไปบ้านฤาษีทั้งสามบรรพชนมหาเศรษฐีทั้งสามแต่ว่าขณะที่เดินมาระหว่างทางในตอนนั้นพักอยู่ในป่ารอนแรมเข้ามาพบต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่ง มีสาขาร่มเรือนมากจึงพากันเข้าไปพักความจริงคงพักไม่หมดตั้งห้าร้อยนะต้นเดียวอาจจะมีหลายต้นในป่าเรียงรายกันแต่ว่าต้นไซใหญ่ต้นนั้นหัวหน้าเศรษฐีเข้าไปพักพร้อมคณะพอสมควรท่านเข้าไปนั่งพักแล้วอาศัยจิตจะมีอารมณ์เป็นทิตย์อยู่บ้างตามสมควรท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าต้นไซต้นนี้ มีเทวดาผู้มีศักดิ์ดา่อาศัยอยู่คือเรียกว่าเรื่องลูกกัเทวดาจึงคิดในใจว่าถ้าเราได้น้ําสะอาดบริโภคก็จะดีเทวดาก็บันดาลให้ปลากดน้ําสะอาดได้บริโภคหลังจากนั้นดื่มน้าแล้วท่านก็คิดว่าถ้าว่าเราไม่ได้มีโอกาสได้อาบน้ําก็จะดีเทวดาก็บันดาลน้ําอาบให้ปรากด หลังจากนั้นท่านคิดในใจอีกว่าเราเหนื่อยอ่อนมาถ้าเรามีโอกาสได้มีโภคค่าเครืออาหารสําหรับกินก็ยังดีเทวดาก็บรรดาลนี่มีโภคค่าเครืออาหารสําหรับกิน <c oughs> ต่อมาท่้นคิดว่าเทวดานีม่มีอนุภาพมากถ้าเราได้เห็นตัวท่านก็จะดีเทวดาก็สแสดงตัวให้ปรากฏท่านฤาษีทั้งหลายเหล่านั้นจึงถามเทวดาว่า เทวะาข้าแต่ท่านผู้ประเสริฐท่านมีบุญญาธิการมากมีมีที่ประสมบัติมหาศาล ร, ร่างกายก็กสวยสดยางงามยิ่งกว่าเทวลุ ก, กเทวดาใดๆอยากจะทราบว่าในสมัยที่ท่านเป็นมนุษย์ท่านบำเป็นกุศลอะไรไว้ยังได้มีบุญญาธิการมากอย่างนี้เทวดาฟังฤาษีก็รู้สึกอาย ไม่กล้าตอบบอกว่าบุญของผมเล็กน้อยขอรับพระคุณเจา้าเพราะอคุณเจ้าได้มีบุญมากกว่าผมเยอจะแยะท่านบรรดาท่านว่ารศิกษ์ก็บอกบอกมาเถอะอนุภาพอย่างนี้หายากเราอยู่ในป่าไม่เคยพบเทวดาคือรุกเทวดาที่มีนุภาพมากอย่างนี้เทวดาจะได้กราบเรียนให้ทราบว่ากระผมสมัยเป็นมนุษย์เป็นคนยากจนขอรับ เที่ยวหางานทําวันหนึ่งเข้าไปอาศัยได้ขอทํางานในบ้านของท่งานอนาดิบินกาสีอนาดิบินเดกาเสฐีตําแหน่งงานอย่างอื่นมันก็ไม่มีแม้ขาดแต่ตำแหน่งคนหาฟืนอย่างเดียวท่า <c> น <oughs> มหาสตีก็รับไว้ผมเป็นคนจนเช้าก็ไปตัดฟืนเย็นก็กลับมาเช้ากินข้าวแล้วไปตัดฟืนเย็นกลับมาก็กินข้าว ผมไม่ทราบเลยว่าท่ามหาสถรีเป็นพระอาดีเจ้าและคนในบ้านก็เป็นพระอรดีเยเยอะแล้วถึงวันอุโบสถบ้านท่ามหาสถรีก็เขารักษาอุโบสถกันแม้แต่เด็กเล็กๆท่ามหาสถรษฐีกำลังกินนมอยู่นั่นแหละท่ามหาสถรษีจึห้ามกินนมให้บ้วนปากแล้วก็ใช้อะของหวานมีน้ําผึ้งเป็นต้นหยอดแทนมาวันหนึ่งเป็นวันอุโบสถ ตอนเช้าผมไปตัดฟืนแล้วก็ยังไม่ทันจะกลับเขาสมาทานโบสดกันมาตอนบ่ายถ้ามหาเสถียียังถามไม่ครัวว่าพวกเธอทั้งหลายบอกชายตัดฟืนหรือเปล่าว่าวันนั้นความจริงเขาหยุดงานกันหมดแต่ว่าคนนี้ไปอยู่ใหม่ไม่ทราบว่าเขาหยุดงานกินข้าวแล้วก็รีบเข้าป่าผู้ถือขวานเข้าป่าตัดฟืนทำงานตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด แล้วก็กลับว่าท่านมหาสถีก็ถามว่าเธอทั้งหลายบอกคนตัดฟืนที่มาสมัครใหม่หรือเปล่าว่าวันนี้วันโบรสตก็แม่ครับอกไม่ได้บอกเจ้าค่ะท่านมหาสถีก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงหงข้าววันสมัครเพื่อเขาแต่ผู้เดียวเขาเหนื่อยมาเขาจะได้กินข้าวเจ้าไม่บอกเขานี่ว่าวันนี้เป็นวันหยุด แม่ครัวก็จัดไว้เพื่อเขาคนเดียวขข้าวหน่งไฟมือให้ไ ฟ, ไฟมือทำไมก็อาจจะเป็นเกือบๆชั่านนานก็ได้ว่าคนทํางานหนักกินจุกตอนเย็นเธอกลับมาตามธรรมดาตอนเช้าก็ดีตอนเย็นก็ดีเวลาเลี้ยงอาหารเสียงจอกแจกโจแจ่คนนั้นก็ขอข้าวคนนี้ก็ขอกลับคนนั้นก็ขอแกงว่ากัเป็นเรื่องละตามตามภาระที่ต้องการ คนมากสิงกระร่ำถมเถกับก็ามาวันนั้นเธอเงียบสงัดแนแก็แม่ครัวจข้าวไว้แต่เธอผู้เดียวยิงถามแม่ครัวว่าคนอื่นน่ะเขากินหมดแล้วหรือแม่ครัวก็บอกว่าไม่มีใครเขากินข้าวย็งกันวันนี้เป็นวันอมโบสถท่านมาหาสถีให้รักษาอมโบสถทุกคนก็มีเธอคนเดียวเท่านั้นแหละที่ไม่รักษาอมโบสถ ท่ามหาสถีจึงบอกให้หุงข้าวไว้เพื่อเธอทำอาหารไว้เพื่อเธอเ้าถามโบสดไปยังไงแม่ครูก็บอกไม่รู้ว่าท่ามหาสถีบอกให้ฉันปฏิบัติยังไง ก, ก็ว่าไปตามนั้นความเข้าใจของ ฉ, ฉันไม่มี <c oughs> นี่คณะที่รักษ า, าโบสดเราสมัยนี้อย่างนี้อาจจะมีมากเหมือนกันเรียกว่าไรว่าตามกันไม่รู้ผล ท่านผนนี้จึงบอกท่าอย่งงางนั้นผมยังไม่กินข้าวก่อนก็เ ข, ข้าไปหาธรรมหาเศรษฐีธรรมหาเศรษฐีแนะนําเรื่องเราโบสดนศิขาบทแปดแล้วพู้จะอนิสงส์เสร็จเขาก็บอกว่าผมจะรักษาพเพียงแค่ครึ่งวันจะได้ไหมครับคือเย็นไม่กินข้าวธรรมหาเศรษฐีก็บอกว่าได้พราะคุณอโบสดครึ่งวันก็มีอนิสงส์ยังได้สมาทานโบสดประสิน <c oughs> แล้วก็ไม่ยอมกินข้าวยินพอตอนเดึกลมมันกำเริบปวดท้องหนักแกก็เชือกมารัดผงไว้ท่านมหาเธธศรษฐีทราบจึงได้นำอาหารมีรสเลิศมาหาเธอก็กินข้าวเสถียรพะคุณไม่เป็นไรวันนี้รักษาไม่ได้พรุ่งนี้รักษาวันอื่นมีทมไปชีวิตยังมีอยู่เธอก็ตอบว่าเป็นความดีครึ่งวัน ชาวบ้านเขาทำเต็มวันก็ทำได้ผมทำครึ่งวันทำไม่ได้เพรอยให้สินเศร้าหมองผมยอมไม่ได้ยอมตายดีกว่าถ้ามหาเสถียรขัน้นอ้อนวอนเท่าทลายก็ตามทีถือก็ไม่ยอมในที่สุดท่านมหาเสถียรก็ต้องกลับเมื่อท่านกลับมาแล้วตอนเช้าุ่วงสว่างเธอก็ตายอันนี้สงที่รักษาโบสถ์สินเพียงครึ่งวัน เธอก็มาเกิดเป็นลูกกเทวดามีอนุภาพมากกว่าเทวดาอย่างอื่นนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทธโอโบสดเตศินนะ่ะท่ารักษาไว้ดีดีแม้แต่ครึ่งวันก็มีประโยชน์อย่างที่พวกเราสมาทานไป ก, กรรมฐานกันในกรนไกรกลางคืนสมาทานลูชิ้นแปดถ้าทรงไว้ได้ตลอดคืนจะมีประโยชน์มากแล้วก็ตลอดคืนสว่างไปถึงตอนเย็นโอโบสดจะไม่ขาด ไม่ว่าสิ้น้าจะยังไม่ขาดแต่กินข้าวแล้วก็ขาดไปตัวตอนเย็นตอนน้องก็คืนสมาทานใหม่โรงความว่าเราทรงได้เครื่องวันนี้บุญตัวมากก็ดูตัวอย่างลูกเทวดาหลังจากนั้นท่านฤาษีก็ลาเทวดาเข้ามาอาวดีวก่อนยังไม่ลาแล้วก็ท่านฤาษีจะถามว่าท่านมหาเศรษฐีและสาโโสถเพราะอะไร เทว ด, ดาบอกว่าเวลานี้สมเด็จพ ร, ระจอมไตรปรมศารสันดาษทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกแล้วก็มีพระอริยสงฆ์มากเพียงเท่านี้ฤาษีขนลุกซ่าคอยเทว ด, ดาพูดใหม่สามครั้งบอกเทวพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระสงิ์อุบัติขึ้นแล้วในโลกสามวาระท่านลุกขึ้นกราบพระองค์สมเด็จพระสัมมาทัมุทธเจ้าทรงได้กล่าวว่า คำว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เราแสวงหามาหลายกับไม่พบหลายชาติแล้วไม่พบประพบคนนี้บุญหนักต่างคนต่างก็ลาท่านเทวดาไปบ้านมหาเศรษฐีแต่มหาเศรษฐีถึงวันเวลาตามนัดก็จัดการรับรองเมื่อท่านเสดีทั้งหลายแล้วนั้นไปแล้วก็บอกว่าคราวนี้ไม่อยู่ล่ะจะเดินทางต่อถ้ามหาเศรษฐีก็ถามว่าจะเป็นไปไหนแล้วขอรับ ท่า น, นกบอกว่าจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านมาหาสถีก็บอกว่าขอพระคุณเจ้าอยู่ก่อนตามาสัญญาฤาษีก็บอกว่าไม่ไหวเขาบอกถ้าอย่างนั้นวันพรุ่งนี้ฉันข้าวก่อนได้จึงไปเมื่อวันรุ่งขึ้นดันฉันข้าวเสร็จท่านจะลาไปท่านมหาสถีทั้งสสนก็บอกว่ารอผมก่อนผมจะไปด้วย บรรดาฤาษีทั้งหลายเหล่านั้นก็เรียนว่าบอกว่าท่านรอท่านมันจะช้าให้ท่านตามไปทีหลังก็แล้วกันแต่ว่าลาไปเมื่อลาไปแล้วก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จไปจอมไตรปรมศาสนาเมื่อฟังเทศจบปรากฏว่าทั้งหมดบรรลุ อ, ลอลรัถผลพร้อมไปได้ริส ม, มิทายาน <c oughs> หลังจากนั้นบรรดามรราอัศวิน ท, ทั้งสามท่าน ก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาทธรรมทวดเจ้าคือจัดของใสเกวียนห้าร้อยเล่มครั้นไปถึงแล้วพระเฝ้าองค์สมเด็จพระพูทมีพระพ่อเจ้าแล้วองค์สมเด็จพระปฏิปเกลก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเขามีความเลื่อมใสมากแต่ว่าในบาลีไม่ได้บอกว่าเศรษฐีทั้งสามคนเป็นพระโสดาบันหรือเปล่าเขาไม่ได้บอกไว้คือไม่ได้บอกก็ไม่พูด ต่อมาท่านมหาเศรษฐีทั้งสามก็เลี้ยงพระมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขอย่างนั้นซึ้นเวลาหนึ่งเดือนได้ว่าของหมดของหมดก็อารัธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าขอให้โปรดเจ้าเมืองโกสัมพีสมเด็จพปัญญาสีเจ้าจในมีพระพุทธฎีกาจัดว่ามหาเศรษฐีดูก่อนมหาเศรษฐี แต่แท้คตนะพอตามธรรมดาระพระพุทธเจ้าย่อมชอบบ้านว่างคือหมายบ้านที่มีความว่างไม่มีคู่คูคนพวกพลันบรรดามหาเศีทั้งหลายเหล่านั้นก็กราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นขอสมเด็จพระวิชิตมานทรงสมเด็จไปเมื่อข้าพระพุทธเจ้าส่งสารมาก็แล้วกันองสมเด็จพระวิชิตมารก็ทรงรับตามนั้น ในความจริงในเวลานั้นพระพุทธเจา้าเสด็จอยู่ที่เมืองสาวัตถีนะคือควา่าเสด็จอยู่ในวิเชตวันมหาวิหารในตอนตอนน้นเราจะมาลืมบอกว่าเาม่องในวิเชตวันนี่พระนารดิพินิกาเศรษฐีเป็นผู้สร้างบรรดาเศรษฐีทั้งหลายเหล่านั้นออกจากเมืองเมืองสาวัตถีแล้วลาองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วกลับไปบ้านต่างคนต่างก็สร้างวิหารกันคนหลัง คือว่าโคโสเศธีสร้างโคสิตารามถวายท่านกุกุตาเศฐีสร้างกุกุตารามถวายท่านปาวาทัานปาวาริกาเศธีสร้างปาวาริกาปาวาริการามถวายเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ส่งสารไปให้ทราบกราบคุณองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเวลานี้วิหารนั่นหลายสร้างเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ เมื่อสมเด็จพระบระมศา ส, สดาสมัยสมเด็จเจ้าทรงทราบยังได้ลาท่านนาถิเป็นการเสด็ีออกจากนิคราออกจากนิโครธารามขอโทษออกออกจากเมือง ส, สาวัตถีเพื่อวดออกจากเพื่อเชตวันมหาวิหารจากเมืองสาวัตถีนะย <c oughs> ังไม่ได้ดูหนังสือเราะเผลอมันเหนืย ก็มุ่งหน้าไปสู่เมืองพารามเมืองเมือพาราณาสีเออขอโทษก็มุ่งหน้าไปห า, าท่นานบรรดาท่านามหาเสถียรท่านสามคือไปแล้วก็พักในวิหารทั้งสามวิหารคือวันนี้พักอยู่ในโคสิตารามเป็นวิหารที่โคศกเสถียรถวาย เมื่อพักพักอยู่ในโคสิตารามแล้วก็ตอนเช้าก็ไปบิฏิบาติบ้านโคสอกเศรษฐีร่วงขึ้นพักที่กุกตะกุกุตกุกุตารามคือที่กุกุตตะเศรษฐีถวายก็ไปปฏิาบาติหน้าบ้านของเขารวมความว่าพักวิหารของไข่ตอนเช้าก็ไปไปปฏิาบาติหน้าบ้านขเขาคนนั้นทําอย่างนี้มาจนกระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ จ, จ้าเห็นเวลาสมควร ก็จึงลาฤาษีทั้งหลายกลับไปในที่ต่อไปก็เป็นว่าเรื่องราวของสถีทั้งสามตอนนี้ก็ยุติเพียงเท่านี้ประวัติในตอนนี้ก็มีความสำคัญว่าบรรดาฤาษีทั้งหลายเหล่านั้นท่านพบเทวดาผู้มีบุญน้อยคือลักษชาวโบสดเป็นครึ่งวันแต่ว่า เทว ด, ดาองค์นั้นมีความสำคัญมากที่รักสิญญ์ยิ่งกว่าชีวิต <c oughs> <c oughs> ความจริงถ้าอยากคิดว่าเรากินข้าวในวันนี้โอโมสตุตสินบกพร่องไปการบกพร่องในสิ่งข้อที่ว่าการกินข้าวเย็นคือกินข้าวเย็นสินบกพร่องมันก็ไม่เกิดโทษอะไร <c oughs> <c oughs> ข้อวิวีการโภชนาวี ไม่มีโทษเหมือนข้าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติพฤติกรรมอุสาบ้าเดิมสุรามีไรเป็นเพียงว่ากำลังใจต่ำไปนิดนึ่งกิงข่าในตอนยินกินข่าในเวลาวิการยังไม่มีโทษความจริงถ้าตัดสินใจตามนั้นได้ก็จะเหมนก็ยังมีประโยชน์วันหลังวันหลังและสาวโมสดตสินให้มันครบทวนแต่ว่านำใจของเทวดาท่านเด็ดขาด ถึงแม้ว่าจะเป็นคนยากจนเข็นใจ <c oughs> ก็ยังหวังอยู่ในความดีคินแสินสิขาบทบูโมสดครึ่งวันนี้เราต้องรักษาให้ได้ถ้ารักษาไม่ได้ไม่ใช่ตายก็ตามทีเรวดาท่านพทธบริษสัตว์ <c oughs> <c oughs> จะเรียว่าเทวดาผู้มีความไม่ประมาทอย่างนี้เป็นคนไม่ประมาทเป็นเทวดาก็ไม่ประมาทอันนี้จะ <c oughs> มาเดานะ ดาววันในเมื่อองค์สมเด็จพระบรมรูปนาฏยังทรงพระชนอยู่เวลาที่องค์สมเด็จพระบรมรครูเทศทีไรก็ปรากฏว่ามีเทวดากับผมฟังและบรรลุมรรผลมากมายก็เข้าใจว่าเทวดาองค์นี้ท่านคงไม่ปล่ยโอกาสให้เลยไปในเมื่อท่านเป็นมนุษย์ยังมีกําลังใจเข้มแข็งขนาดนั้น ในเวลานั้นท่านเป็นเทวดาท่านคงไม่ยอมไม่ยอมปล่อยอากายเข้าใจว่าจะฟังเทศเจ้าองค์สมเด็จพระบรมมุขนาฏคล้ายๆมาแต่คุณดลีเทพบุะบุฟังจบแรกอาจจะเป็นประโสดาบันหลังจากนั้นถ้าประพุทธปฏิบัติอีกเป็นเทวดาก็ามีโอกาสดีกว่านกอาจจะเป็นปรอาารันไปเลยก็ได้แต่นี้เป็นความเหมือนแต่มาไม่รับรองว่าเป็นตามนั้นหรือไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้น แล้วก็เวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเหลือเวลาอีกสามนาทีสเสษเราก็มาคุยกันในตอนท้ายเรื่องว่าความจริงฤสีท่านทรงอภิญยาถ้าจะว่ากันไปนะผมเองก็หนักใจเพราะอภิญยาผมไม่มีกับเขาแต่ฤษีเหล่านั้นท่านอาจจะดีกว่าพวกเราที่ยังไม่ได้ทรงอภิญยา จะไปคิดว่าท่านไม่ได้อม้ากาสาวพัตถ์อย่าไปถือผ้ากาสาวัตถ์เป็นสําคัญถ้าอมภาการสาวัตถ์มีความดีไม่เท่เขาควรจะมองความดีของเราว่าเท่าเขาหรือเปล่าดีกว่าแล้วก็อย่าทะนงตนฉะนั้นบรรดาเพื่อนพิสุสมณีนนทั้งหลายและญาโยมพรทุบริษัททุกคนที่บิ็นสาวกโอคงง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงอย่าประมาทในชีวิตคิดไม่เสมอว่าชีวิตของเราต้องตายอาการตายของคนเรานี่ไม่แน่นอนจะคิดว่าตายตอนแก่นี่ไม่แน่นักให้สังเกตดูไว้เสมอว่าคนที่เกิดมาที่หลังเราตายก่อนเราก็ถมไปจากนั้นจงจำคำขอ ง, องส์สมเด็จพระจอมไตรไว้ว่าจงอย่าคิดว่าความตายจะมาถึงเราในวันพรงนี้ ยงคิดว่าความตายอาจจะถึงเราในวันนี้ไว้เสมอตัดสินใจความไม่ประมาทให้เกิดขึ้นนั่นคิดว่าก่อนที่เราจะตายถ้าเราอยู่เป็นคนก็เป็นคนดีถ้าตายเป็นผีก็เป็นผีดีผีดีคือผีเทวดาผีพรหมผีนิพันธ์เราก็ตัดสินใจไว้เพื่อพระนิพัน์ก่อนนนก็คืนหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ สองยึดถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสองปฏิเพื่องแน่นอนสามสงสินห้าให้บริสุทธิ์สำหรับครวัตพระเรนรจะสงสินของตนนะจะบกพร่องสำหรับสินห้าปฏิบัติอย่างนี้หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติปนิกามและก็สี่ไม่พูดจมูสาวาทไม่พูดคาหยาบ ไม่สอเสีทยที่เขาแตกราวกันหรือนินทาเขาและไม่พูดวาจาเหลวไหลไหลร้ประโยชน์ไม่ดื่มสุรามีไรรักษากําลังใจให้มั่นคงว่าเราจตัดโลภความโลภได้ด้วยจารคานุสติกรรมฐานและให้ทานแล้วตัดโทสะความโกรธด้วยพรหมิหารสีและยาตัความหลงได้ไหมี้มวิการเข้าใจดีคิดว่ามนุสสโลกเทวโลกและพุทธโลก เป็นแดนไม่พ้นทุกมนุษย์ทุกเทวดากรบผมสุขถ้าสุขเป็นนานเท่ากับมันทุกภัยจิตใจที่เราต้องการจริงๆในการไปนั่นก็คือพระนิพพานตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระพุทธธตรมานถ้าบุคคลบุญใดจับภาวะพระนิพพานได้จงส่งกำลังใจไปพระนิพพานทุกวันให้มีการเคยชิน อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทที่หลายตายเมื่อไรผนิพันเหมือ น, นั้นรอราบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมองดูเวลาก็หมดเวลาพอดีขอยุติไว้แต่เพียงตรงนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์คุณผลจงมีเดบรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี